คนื่นเาจะมอนอยางไรเป็นเรื่องของเขาเราจะมีสติมากขึ้นสติเอาไว้เตรียมตัวสำรวมระวังอย่าทำอะไรที่มันมันผิดศีลผิดธรรมอันนี้ถือว่ามีครูบราอาจารย์มีการปฏิบัตทธรรมที่เป็นประโยชน์ต้องเตือนสติเสมออันนี้คือสำคัญเรื่องของการปฏิบททัติธรรมแต่ส่วนเรื่องของไอ้นักกีฬาไอ นั่งขับรถที่มันขับรถสิ่งแล้วมันเพียงมากแล้วก็มันก็ตายเนีย loyalty, <ๆ S 1> ่ยเพราะมันประมาทมันประมาทประมาทคือว่าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้ไปได้มันเลยไม่มีการระวังเมื่อเราขับรถเด็กคนขับรถเป็นเนี่ยเขาจะไม่ก็สนใจแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอันนี้คือประมาทแต่เขาเขาไประวังเนี่ยอันนี้เขาไม่ประมาท อย่ขับรถไปโทรศัพท์ไปเงี้ยเขาขับรถด้วยความเคยชินแล้วเขาโมวแต่หัวใจโทรศัพท์คือประมาทแหละเพราะฉะนั้นโอกาสคนที่ประมาทเนี่ยยังไงก็เสียหายมากความประมาททาให้คนเสียหายมากขาดสติเันจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องอย่ามองข้ามต้องมีโอกาสผิดพลาดได้มีโอกาสผิดพลาดได้ ก็จะมีการระวังมากขึ้นคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแนหะเกิดอุบัติเหตุอิมเมอรจ์จนซีอ่อะทั้งนั้นแหละขึ้นอยกับว่าเรามีสติหรือเปล่าถ้าเราขาดสติเราถึงว่าเราประมาทมา ก, มากไม่เป็นไรแล้วสบายๆอย่างคนมีสตินี้จะระวังไม่ก่อนระวังไม่ก่อนอันนี้เรื่องของการไอคนที่ขับรถ แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้กครูบาอาจารย์ต้องสําคัญเรื่องแบบนี้นะเราทําอย่างนี้ไม่ได้เราเราเสียชื่อครูบาอาจารย์หมดแล้วก็ครูบาอาจารย์เขาก็สอนเราเลยทําอะไรต้องระวังเพราะเราไม่ใช่คนที่มันไม่ได้ฝึกหัดเราเป็นคนที่ได้ฝึกหัดแล้วได้เห็นสิ่งดีๆแล้วเห็นตัวอย่างดีๆมาแล้วเราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้คือคนมีสติมีปัญญา เราจะไม่ทำแต่ว่าเรามีมีกิเลสมีตัณหาก็มีได้แต่เราควบคุมไว้อันนี้เราควบคุมไว้ไม่เมันออกมาทางกากทางกายทางกายนะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เรายัเป็นคนมีกิเลสเราไม่ใช่พลาอาหารไม่ใช่ดีพร้อมทุกอย่างเราสามารถควบคุมในสิ่งที่มีดีเอาไว้ครับควบคุมไวไม่ได้กดทับคือควบคุมว่าอย่าออกมาอย่างนี้มันน่าเกลียด คือเรียกว่าละอายชั่วไงยี่รี่โอะละปาลายชั่วกลัวบาปท่านนี้ไม่ท่าอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะไปทําะไรอย่างไปมีผู้หญิงมีอะไรมากมาผมทำไม่ได้ผมละอายลูกหัวแล้วโอ้โหเนี่เรารล่นเหมือนปลาละอายแล้วนอนแบบหายใจก็ลําบากนะนิ้วกดกไม่ได้จะไปคิดอย่างนั้นโอ้อายมากอายมากผมเคยคิดอยู่บ้านนะ ดูแล้วผมลูกหัวแล้วอืม อ, อายครับเรากับผมหัวล่นปลานิวก็ดิกไม่ได้เลยยังจะไปคิดทําะไรนี้อีกโอ้แม่อายฝาดินอายฝาดินผมจะคิดดิ้งนีวผมก็ไม่คิดอีความละอายชั่วกลัวบาปถึงเม่นบาปมันก็ละอายคิดไปได้ยังไงเราแบบ น, นี้แต่เราก็สามารถควบคุมว่าเออความคิดคือความคิดนะเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราหรอก เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราร ต, รต่องชกคันติอดทนไ้องอดทนอดทนแล้วองหลายๆอย่างก็มีสติมาแล้วก็อดทนอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้เลสติมาก่อนสติมาก่อนสติไม่มาเนี่ยมันไม่อดทนหรอกรมันก็ทําไปเลยคันติว่าอดทนมีสติมาและขันติก็จะมาช่วยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้อดทนต้องทนให้ได้จะเรียกว่าอดทน ถ้าทนไม่ได้เนี่ไม่อดทนอดทนแล้วต้องทนให้ได้สำคัญอย่างเงี้ยไม่ ม, มก็จะลาบากหน่อยแล้วก็รู้สึกอึดอัดแต่ว่าดีกว่าการที่เราไม่ทนด้วยซ้ำไปล้ว เ, เลือกตัดีกว่าคนที่เวลาเจ็บบัดจะร้องอดออยอดออยไดม่อดทนเนี่ยมันจะปวดมากแล้วถ้าเจ็บแล้วอดทนเอาไว้เนี่ยมันปวดไม่มาก ใช่ <Yeah. S 2> มันปวดได้มากเลยยิ่งร้องยิ่งปวดแต่ใจรว่าบางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ของคูบาจางังแล้วก็เราใกล้ๆครูบาจังเราเป็นคนดีแล้วก็มีคนแกล้ๆเราทำ <c oughs> สิที่ไม่ถูกใจเราเราก็เรา <c oughs> ก, ก็มีมีทุกข์ซากเกิดขึ้นจะจะจิตใ จ, จอันนี้เป็นกิเลสเหมือนกันใช่ไหมรู้ธรรมดากิเลสในใจก็ย่อมเกิดแต่เราควบคุมมันได้สําคัญตอนนี้ว่าเราควบคุมได้หรือเปล่า ก็หลวงปู่ดุนเนีแบบ่ยบอกว่าอหลวงปู่เนี่ยอายุขนาดนี้นแล้วเนี่ยมีโกรธไหมมีแต่ไม่เอา่นะแต่ว่ามีแต่ไม่เอาคือ <c ười> สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ปล่อยวางมันได้คือทุกอย่างจะไม่ให้มีเนี่ยไม่ได้มันมีแต่เราไม่เอามันเราไม่เชื่อมันเราไม่ทําตามมันเราไม่รังเกียจมันแต่เราไม่ทําอะไรกับมันปล่อยมันผ่านไปมีแล้วก็ผ่านไปอย่างเนี้ถือว่าทําแบบสบายๆ คิดว่าเราไม่ต้มไปขาโอ้ออันนี้ทกสามารถจะอะไรคิดมากทําไมเออเนาะอันนี้คิดมากเรคิดมากแล้วตัวตนจะใหญ่เลยนะเอ๊ะทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้เราไม่น่าจะมีแบบนี้เหละทุกข์หนักแต่ว่าเป็นปัญหาเยอะเคขึ้นใช่มันจะทุกข์เลยผมว่าคนเข้าใจผิดว่าที่เราใกล้ครูบาอาจารย์เราไม่น่าจะคิดเป็นกิเลสไม่ได้ครับเราเป็นครูบาอาจารย์เราไม่น่าจะมีกิเลสไม่ได้ เราเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราเนี่ยเ็เรียกสําคัญ ค, คิดว่วตัวเราเนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้เราจะต้องดีเสมอหมดไม่ใช่แล้วเขาเรียกลืมตัวตัวอัตตามจะใหญ่มากบอกมีได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ทำตามมันใครว่าอะไรเราก็ว่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ว่าอะไรเข้าไปแล้วกัน ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นว่าเรามีกิเลยเรามีโท้อสัเราไม่โลภาเกิดทุกก็เราเป็นเราก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นปฏิจจสมุขเราไม่ต้องไปหาอเมตตาไม่รูปเป็นอะไรเป็นอะรูปเป็นอะอันนี้อันนี้อันนี้เสียเวลาเราต้องมีสติเราก็มีสติออกทุงไว้เราก็ค่อยๆอันนี้จะจะลงไปแล้วอันนี้ก็จบได้พอจบแล้วเดี๋ยวมันไม่ต้องไปคิดหรอกมันรู้เองมันรู้เองมันรู้เองว่าอ๋อเราว่ามันไอ้พอเราไปอย่างนี้จะได้ พอเรากินเหล้าแก้วเดียวเราจึงทาถึงขนาดนี้มันจะรู้เองเลยนะมันจะรู้เอง <stroke. S 1> เคยเขไปพูดกันนักโทษในเรือจนจําก็เป็นทุกข์มากทําความผิดแล้วก็เป็นทุกข์มากเลยเราบอกไว้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้คุณทําผิดไหมบอกป่า <c oughs> คุณกําลังอยู่ในอยู่ที่ไหนอยู่ในเรือนจํากําลังทําอะไรกําลังใช้ใช้การบอกไม่ใช่ เนี่ยครูกําลังมาฝึกจิตฝึกใจมาฝึกใจให้มันดีต่างหากอย่าบอกว่าใช้กรรมการฝึกให้มันดีเนี่ยมันจะเป็นการรู้สึกสบายใจกว่าว่าเราใช้กรรมให้เขาคิดแบบนั้นซะเขาก็สบายใจนี่เขามองว่าเขาผิดแล้วผิดเลยมันไม่ได้คือเราเคยดูหนังนะบางคนนี่ชั่วมากเร็วมากเลยนะแล้วก็ติดคุกแล้วก็ ไม่ยอมแก้ปัญหาเสียตายไปโดนโดนยิงตายตัวคนหนึ่งโอ้เราผิดแล้วนะต่อไปจะเป็นคนใหม่จะเป็นคนดีอไอคนนี้เนี่ยเขาที่เราบีบีแล้วบดบดเลย เ, เขาจะเรียกฮีโร่เลยนะ ค, คนที่ผิดแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ครับไม่ไปทําผิดเหมือนเดิมดไอคนนี้คนเขาทั้งโลกจะสรรเสริญมากแล้วคนในโลกเนี่ยคนแบบเนี้ยคนชอบชอบ โอเคเขเปลี่ยนแปลงใหม่แ hmm. ล <S in issements> uh ้เปลี so, it, ่ยนแปงใหม่แล้วเขาเป็นคนใหม่แล้วโอ้คนก็ชอบใจดูหน้าตาเป็นยังไงเราเราให้กําลังใจกันนั่นการผิดเน่ยดีเราแก้ไขเป็นไปเราจะไม่ทําอย่างนี้แม่แต่พระเองเนี่ยโปรงอาบัตเนี่ยโรงอาบัติเนี่ยผิดแล้วถ้าไปปรงแล้วก็ต่อไปจะไม่ทําอย่างนี้โปรงแค่โปรงอาบัติเพราะนั้นผิดได้ ก็จะมีการปรองอังบ ต, ต่อไปจะไม่ทำอีกนเนี่ยในโลกเรา น, น, เนี่สเสริญยกย่องให้เป็นคนดีเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วดีตลอดตายมันไม่มีหรอกมันจะต้องมีรีบ้างเสียบ้างจะรู้จักแก้ไขตัวเองอันนี้สาคัญ น, นี่คือคนที่ที่ดีจริงต้องแบบนี้ ในเรื่องหนังละครเรื่องหลังที่เราไปดูเนี่ยมันได้คิดว่าอ้ น, นี่าขาดสติอันนี้เอาใจตนเองอันนี่สําคัญผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ท <c oughs> ายล้มันก็จบลงไม่ดีไอ้ค <c> น <oughs> ใว่าออยพวกนี้พอเริ่มต้นมันน่าถ้าจะดีแต่ต่อไปมันไม่ดีเนี่ยต้องดูให้ตลอดทั้งเรื่องไม่ใช่ดูเฉพาะตอนหนึ่งแล้วมันคิดตอนหนึ่งไม่ได้ <c oughs> เรื่องรา่มันต่อเ น, นื่องผูกกันเป็นลูกโซ่